ถ้าไปหลวงพ่อผมไม่จําเป็นต้องเทศเยอะวเราฟังซีดีได้ mm hmm. เทศไว้ทุกวันทุกวันเยอะแยะไปหมดนะความจริงสิ่งที่เทศนะึ่งวันเดียวหรือฟังซีดีสักแผ่นเดียวนะก็พอละให้รู้วิธีปฏิบัติเมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปนกะ็คือปฏิบัติทําให้สมควรกับทำทำหย่อย่อม mm hmm. ใ, ใหญ่ให ญ, ใหญ่ไม่ได้กินหรอก ธรรมะไม่ใช่ของเล่นๆธรรมะเป็นของจริงคนจริงก็ได้ของจริงคนทาเล่นๆก็ได้ของเล่นลนไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าท่านยินยัดอย่างนี้ธรรมของท่านไม่เนิ่นช้าแต่ผู้ปฏิบัติเลยมักจะเนิ่นช้าเราก็บางคนเนีมานั่งนับเวลาเคยอ่านมหาสติปัฏฐาน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 มีความคลุกคลีไหมข้อสามข้อแรกมักน้อยมักน้อยปรารถนาน้อยหมายถึงอยู่ด้วยเบสิกมีนิมั่มนิดนะสันโดษหมายถึงว่าทําให้เต็มที่ได้ผลแค่ไหนพอใจแค่นั้นเช่นเราภาวนาของเราเต็มที่แล้วละ่ะได้แค่นี้แหละยังไม่ได้โสดาสักทีแต่ได้ภาวนาเต็มที่แล้วก็พอใจล้วพอใจที่ได้ทําเหตุ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 ไม่ครุกคลีมีหน้าที่การงานติดต่อด้วยก็ติดต่อกระทั่งไปหาครูบาอาจารย์ไปเรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์พอเรียนแล้วเข้าใจแล้วนะก็ลาท่านนะไม่ไปนั่งครุกคลีอยู่กับท่านนั่งชมบารมีปลื้มใจทั้งวันเมื่อแต่ปลื้มใจกิเลสไม่ได้ล้างสักทีเสียเวลาเนีย่ยหลวงพ่อวเวลาไปหาครูบาอาจารยนะ์สมัยก่อนชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ย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 หรือเผลอทั้งวันเผลอทั้งวันนี่ไม่เรียกว่าปราร์ความเพียรหลงต้องคิดถึงการปฏิบัติเนืองๆ ง, งานของเรายังไม่จบต้องทำบางคนมีนิสัยนะว่าถ้างานไม่เสร็จไม่เลิกอย่างหลวงพ่อมีนิสัยงานไม่เสร็จไม่ยอมไม่ปล่อยอ่ะแต่ถ้าเหนื่อยเลาหยุดมีเบรกแต่ไม่เลิกถ้าไม่ปลาร์ดความเพียรแล้วามันนั่งนับว่าทาความเพียรมาเท่านี้ปีเท่านี้ปี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 ค่ยสบายขึ้นกลายเป็นสวนดอกไม้สวยงามไปพวกเดินมาถึงสวนดอกไม้แล้วติดอยู่ที่สวนดอกไม้ติดสมาธิติดสมาธิไปไหนไม่รอดใจเด็ดเด็อน่าปล่อยเอาอะไรกัความสุขแค่สมาธิความสุขจากความสงบของจิตชั่วครั้งชั่วคราวเอาทําไมของชั่วคราวของถาบอนนะั้นมีอยู่